ความผาสุขที่แท้จริงโดยหมอเขียวใจเพชรกล้าจนผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมจากสํานักแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณาสุขนักวิชาการสาธารณาสุขระดับชํานาญการโรงพยาบาลอํานาจเจริญแพทย์วิถีธรรมและครูฝึกแพทย์แผนไทยศูนย์สุขภาพสวนป่านาบุญการศึกษาและอบรม หปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช 2. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพบริหารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชสาสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนไทยแนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเวชกรรมแผนไทย เภสัชพฤกษศาสตร์ธรรมานามัมและสังคมวิทยาการแพทย์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชสี่ศึกษาและอบรมด้านการแพทย์ทางเลือกจากประเทศมาเลเซียและจีนไต้หวันหปริญญาโทสาขาพัฒนาบุรณาการศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำการศึกษาวิจัยเรื่องความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสวนป่านาบุญอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร 6. ปริญญาเอกวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาสาธารณสุขชุมชน ประจำปีพุทธศักราช2555วันที่22มีนาคม2555จากมหาวิทยาลัยราชพัฒนศรสีสเกตคำนำจากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้ฝึกฝนปฏิบัติรำร ม, มาสิบกว่าปีพร้อมๆกับการทำหน้าที่ดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนพบว่า จิตใจที่เร่งรีบต้องการผลสำเร็จเร็วๆหวาดกลัววิตกกังวลไม่พอใจจิตใจไม่ผาสุกมีผลมากที่สุดต่อการทำให้เกิดความเจ็บป่วยและทำให้ความเจ็บป่วยรุนแรงได้มากที่สุดตรงกันข้ามกับจิตใจที่ผาสุกสงบสบายไม่เร่งรีบไม่หว่นไหวไม่หวาดกลัวไม่วิตกกังวล จะมีผลทําให้โรคภัยไข้เจ็บทุเราหรือหายได้มากที่สุดทําให้เกิดสุขภาพที่ดีได้มากที่สุดดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอะกินจันนันนานุ ป, ปตังติทุกขาหมายถึงทุกย่อมไม่ตกถึงผู้หมดกังวลหรือทุกขย่อมไม่มีในผู้ไร้กังวลจากสังยุตตนิกายสคาทวัคขา สัหนึ่งยสิสองและอีกข้อความหนึง่งอันน่าสนใจที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คืออติตังนานุโสจันตินับปชะปันตินาคตังปัจจุ ป, ปันเนนะยาเป็นติเตนะวันโนปัสสิติหมายถึงบุคคลไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ใฝ่หาถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ยังชีวิตให้เป็นไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเพราะเหตุนั้นผิวพันย่อมผ่องใสจากสังยุตตนิกายสคาถวัคคะสิบห้าทับเจ็ดซึ่งในความเป็นจริงผู้ที่จะมีผิวพันผ่องใสได้ก็คือผู้ที่มีจิตใจผาสุกนั่นเองผู้เขียนพบว่าการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงก็คือการทำหน้าที่ ทำกิจกรรมการงานที่สัมมาอย่างผาสุกทุกวินาทีผู้เขียนจึงขอนำเสนอบทความซึ่งเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของการสร้างความผาสุกในจิตใจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพอเป็นประโยชน์กับผู้อ่านบ้างจริงใจไมตรีหมอเขียวใจเพชรกล้าจน บทความความผาสุกที่แท้จริงสาระแท้อันเป็นประโยชน์สูงสุดที่แท้จริงของมนุษย์คือจิตใจที่ผาสุกอย่างยั่งยืนเท่านั้นนอกนั้นไม่ใช่สาระที่แท้ไม่ใช่ประโยชน์แท้เลยจิตใจที่ผาสุกแท้คือจิตใจที่มีปัญญารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิตดินน้ำลมไฟกิจกรรมการงานความดีความชั่วความเหมาะความไม่เหมาะความถูกต้องความไม่ถูกต้องความเจ็บป่วยความไม่เจ็บป่วยปัญหาต่างๆทั้งหมดในโลกนี้ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ในใจเราแต่เป็นเพียงวัตถุสะสารพลังงานที่เป็นกลางกลางเกิดขึ้นตั้งอยู่ แล้วก็ดับไปหมุนวนอยู่ในโลกตราบชั่วกาลนานไม่มีหมดไปอย่างถาวรและไม่มีตั้งอยู่อย่างถาวรครูบาอาจารย์สอนไว้ว่ามีเพียงผู้ที่ฝึกฝนจนได้จิตวิญญาณที่ผาสุก อ, อย่างยั่งยืนแท้จริงเท่านั้นที่เลือกจะเกิดก็ได้เลือกจะดับก็ได้ปัญหาไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจ แต่เป็นสิ่งที่ควรแก้ไขให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้รังเกยียจก็ทุกเปล่ า, ลารังเกยียจให้โง่ทำไมเพราะปัญหาไม่เคยหมดไปจากโลกปัญหาหมดได้ที่ใจเราเท่านั้นหน้าที่กิจกรรมการงานก็ไม่เคยหมดไปจากโลกดังนั้นเราจงยินดีเต็มใจเบิกบานแจ่มใสผาสุขสงบสบายกับการยอมรับความจริงดังกล่าว แล้วทำหน้าที่ลดปัญหาที่ต้นเหตุหรือทำหน้าที่กิจกรรมการงานที่สัมมาเป็นกุศลไม่เป็นบาปเวรภัยสร้างสรรเต็มที่สุดฝีมือตามองประกอบเหตุปัจจัยที่จะทำได้ตามอุปกรณ์สิ่งแวดล้อมบุญบารมีความเพียรทั้งของเราและของผู้อื่นในโลกไม่มากจนเบียดเบียนทรมานตนเองและผู้อื่น อย่าขยายดีเก like yeah, sure. ินกว่าฤทธแรงที่ทำได้จริงหรือลําบากเกินทำไม่ไหวและรู้พักอย่างพอดีเพียรเต็มที่พักพอดีตามบุญบารมีและเหตุปัจจัยเมื่อพักเพียรอย่างเต็มที่แล้วก็ทำใจรับรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นดีที่สุดแล้วที่เป็นไปได้จริง อย่าอยากได้ดีหรืออยากให้เกิดสิ่งที่ดีเกินกว่าฤทธแรงที่ทาได้จริงจงทำความผาสุกทิ่ตนจนคนที่มีปัญญาเห็นเกิดศรัทธาอยากได้จึงค่อยบอกทางแก่ผู้ที่มีปัญญาและศรัทธานั้นจากนั้นก็ทำใจให้ผาสุกกับการปล่อยการกระทำและผลนั้นให้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ให้โลกได้อาศัย แล้วก็ดับไปเมื่อหมดปริ์ของเหตุปัจจัยที่กอบก่อหมุนวนอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อเราพักพอดีแล้วก็เพียรอย่างเต็มที่ใหม่ทำสลับกันไปเรื่อยๆตราบที่เรายังมีชีวิตอยู่ถ้าเราฝึกฝนกระทำสิ่งดังกล่าวให้ได้มั่นคงทุกๆวินาทีเราก็จะได้จิตใจที่ผาสุกยั่งยืนดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเราไม่พัก เราไม่เพียรก็ข้ามโอคะสงสารได้จากพระไตรปิฎกเล่มสิบห้าโอคะตารณะสูตรข้อสองแปลว่ารู้เพียรรู้พักก็้ลทุกได้ <c oughs> เมื่อถึงเวลาสมควรที่ต้องภาคเพียรใหม่แต่ละครั้งเราก็ภาคเพียรด้วยจิตใจที่ผาสุกรู้คุณค่ารู้ประโยชน์ของกุศลที่กำลังกระทำอยู่นั้น เมื่อภาคเพียรอย่างเต็มที่แล้วก็ปล่อยวางด้วยจิตใจที่ผาสุขอย่าไปงโง่หลงสร้างสุขสร้างทุกข์ยึดมั่นถือมั่นในใจกับสิ่งต่างๆในโลกและมหาจักรวาลเพราะจะทําให้จิตใจไม่ผาสุขอย่า ง, ย, า ง, ย, างยั่งยืนในขณะที่เรายังดํารงชีวิตอยู่เราควรทําใจผาสุกกับการไม่ทําอกุศล เพราะอากุศลเป็นโทษทําให้เดือดร้อนแต่ก็ไม่ควรรักเกลียดชอบชังในอากุศลเพราะทําให้ใจเป็นทุกข์เนื่องจากอากุศลก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ตามเหตุปัจจัยของการกอบกอ่อและดับไปเมื่อหมดเหตุปัจจัยของการกอบกอ่อสิ่งเหล่านี้ไม่เคยหมดไปจากโลกและมหาจักรวาลหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ตราบชั่วการานา ควรทำใจให้ผาสุขกับการทำกุศลเพราะกุศลเป็นประโยชน์ที่ควรอาศัยแต่ก็ไม่ควรรักเกลียดชอบชังยึดมั่นถือมั่นในกุศลเพราะทำให้ใจเป็นทุกข์เนื่องจากกุศลก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ตามเหตุปัจจัยของการกอบก่อและดับไปเมื่อหมดเหตุปัจจัยของการกอบก่อสิ่งเหล่านี้ไม่เคยหมดไปจากโลกและมหาจักรวาล มุนวนอยู่อย่างนี้ตราบชั่วการานานแต่ในขณะที่ทำกุศลต้องทำอย่างยึดมั่นถือมั่นกรรมให้แน่นติดในกุศลอย่างรู้คุณค่าประโยชน์ไม่เช่นนั้นจะไม่มีพลังและไม่มีความผาสุขในการทำกุศลแต่เมื่อเสร็จแล้วพึงปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นให้หมดทั้งการกระทาและผลของการกระทา ปล่อยวางทุกอย่างให้โลกแบให้เกลี้ยงเราเอาความผาสุกสงบสบายในใจกับความปล่อยวางกับความไม่ได้ไม่เป็นไม่มีอะไรเพราะเป็นทางเอกสายเดียวที่จะทําให้เราได้จิตใจที่ผาสุก อ, อย่างยั่งยืนดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามะชิมาปฏิปทาการปฏิบัติสู่ความสมดุลพอดีเป็นกลางเป็นทางเอกสายเดียวที่พาพ้นทุก กลางในการหยุดชั่วอกุศลบาปเวรภัยความไม่สมดุลความไม่พอดีด้วยใจที่ผาสุขกลางในการทำดีทำกุศลทำความสมดุลทำความพอดีด้วยใจที่ผาสุขกลางในจิตใจที่ผาสุขสงบสบายเบิกบานผ่องแฉวผ่องใสจากการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวางเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงทุกวินาทีพึ่งมันตรวจสอบและล้างความชอบความชังทุกอย่างในจิตใจเพราะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในใจและสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบไม่เคยหมดไปจากโลกอย่างถาวรและไม่เคยอยู่กับเราอย่างถาวรในความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นกลางๆเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป มุนวนอยู่อย่างนี้ตราบชั่วการานานไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกในใจเราเลยแต่เราหลงโง่สร้างความรู้สึกชอบความรู้สึกเป็นสุขหรือความไม่ชอบความรู้สึกเป็นทุกในใจของเราเองถ้าเราหลงชอบหลงว่าเป็นสุขก็ทำให้เกิดอารมณ์ทุกจากความอยากได้ดังใจหมายถ้าไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจถ้าได้ก็ลดความทุกข์ใจลง สู่ความไม่ทุกข์ชั่วคราวสั่งสมเป็นพลังงานหลงติดว่าเป็นสุขฝังไว้ในใจแล้วก็อยากใหม่ทุกใจใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้ตราบชั่วกานานาต่อให้สิ่งนั้นไม่มีโทษเป็นประโยชน์เสียด้วยซ้ำเราก็หลงว่าเป็นสุขในใจเราก็จะทำให้เราอยากได้มากถ้าไม่ได้ก็ทุกข์ใจถ้าสามารถถามาตอบสนองได้ ก็จะหาเอามามากจนเกินพอดีเมื่อการกระทําและสิ่งที่ได้มานั้นเกินพอดีสิ่งนั้นจะกลายเป็นพิษเป็นโทษในทันทีส่วนถ้าเราหลงชังหลงไม่ชอบใจหลงว่าเป็นทุกข์ในใจเราเวลาเราประสบพบเจอสิ่งนั้น เราก็จะไม่ชอบใจทุกใจอยากทำลายหรืออยากหลบเลี่ยงสิ่งนั้นถ้าทำลายหรือหลบเลี่ยงไม่ได้ก็จะทุกใจต่อไปถ้าทำลายหรือหลบเลี่ยงได้ทุกใจก็ระงับหรือลดลงสู่ความไม่ทุกข์เป็นสุขในใจชั่วคราวสั่งสมเป็นพลังงานฝังไว้ในใจซึ่งเป็นพลังงานหลงเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์ ถ้าทำลายหรือหลบเลี่ยงได้จึงจะเป็นสุขเวลาประสบพบเจออีกก็ทุกใจไม่ชอบใจอีกต้องการทำลายหรือหลบเลี่ยงอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ตราบชั่วการนาน มนุษย์ผู้ฉลาดแท้จะคงไว้เพียงการรับรู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดเป็นโทษเท่านั้นจึงมีความผาสุกกับการละเว้นสิ่งที่เป็นโทษมีความผาสุกกับการอาศัยสิ่งที่เป็นประโยชน์และพึงจำไว้เสมอว่าอาการหลงชอบหรือหลงชังซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ในใจเราจะปรากฏออกมาเป็นคราวๆอยู่เรื่อยๆ ยกเว้นผู้ที่ละล้างมาหลายชาติจนเหลือน้อยแล้วเพราะเราได้หลงโง่สั่งสมพลังงานดังกล่าวอย่างมากมายมาหลายพบหลายชาติเราไม่มีหน้าที่งงว่าทำไมมันมากจังเราไม่มีหน้าที่ที่ท้อว่าทาไมมันไม่หมดสักทีเรามีหน้าที่คอยตรวจสอบและภาคเพียรล้างพลังงานหลงโง่ดังกล่าวด้วยความผาสุขเท่านั้น ซึ่งละล้างได้ด้วยการวิปัสสนาคือการใช้สติปัญญาหมั่นไตร่ตรองผลเสียของการมีอารมณ์ชอบชังดังกล่าวหมัน่นไตร่ตรองผลดีของการรู้ความจริงตามความเป็นจริงผลดีของการไม่มีอารมณ์ชอบชังดังกล่าวและพิจารณากรรมและวิบากว่าใครกระทําสิ่งใดๆเป็นสมบัติของผู้นั้นรอวันให้ผลบางอย่างให้ผลในทันที บางอย่างต้องรอเวลาจึงจะให้ผลบางอย่างให้ผลข้ามคบข้ามชาติสร้างกรรมดีก็ให้ผลดีสร้างกรรมไม่ดีก็ให้ผลไม่ดีเมื่อให้ผลจนหมดฤทธิ์ของเหตุแล้วกรรมนั้นก็จบดับไปถ้าสร้างกรรมใหม่ก็สั่งสมเป็นสมบัติใหม่และรอเวลาให้ผลตามเหตุปัจจัยจงทำกุศลหรือแก้ปัญหาทีลอย่างด้วยจิตใจที่ผาสุก เมื่อกำลังทำกุศลหรือแก้ปัญหาใดอยู่จงตัดความกลัวความวิตกกังวลความห่วงหาอะไรอาวรนในกุศลในปัญหาในบทบาทหน้าที่อื่นๆให้หมดเพราะความกลัวความวิตกกังวลความห่วงหาอะไรอาวรนไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยแต่จะเป็นผลเสียอย่างร้ายแรงที่สุดต่อจิตใจและร่างกายของเราต่อให้เรามีความกลัววิตกกังวลห่วงหาอะไอาวรกับสิ่งอื่น เราก็ไม่สามารถกระทาพร้อมกันทั้งหมดได้ในเวลาเดียวกันอยู่แล้วเมื่อองค์ประกอบเหตุปัจจัยจัดสรรให้เราต้องทำกุศลนั้นแสดงว่าณนะเวลานั้นสิ่งนั้นสำคัญที่สุดดีที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดควรทำที่สุดเป็นสาระแท้ที่สุดสิ่งอื่นๆล้วนไม่ใช่สาระสำคัญทั้งสิ้นเพราะสิ่งต่างๆบนโลกและจักรวาลล้วนไม่มีสิ่งใดเป็นสาระแท้ ในขณะที่กำลังทากิจกรรมใดก็ตามการทำด้วยความผาสุขอย่างรู้คุณค่าประโยชน์อย่างยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือสาระแท้ที่ควรทำเป็นสภาพการรู้เพียรอย่างมีเมตตาหรือปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์พ้นทุกข์ผาสุการุณาลงมือกระทําตามความปรารถนาดีนั้นโดยกระทาด้วยอิทธิบาทได้แก่ ฉันทะหรือความพอใจวิริยะหรือความเพียรจิตตะหรือจิตใจจดจ่อทุ่มโถมวิมังสาตรวจสอบใครครวญทั้งผลทางวัตถุและทางใจเพราะพระอานนทุนถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรคือความสุขในโลกพระพุทธเจ้าตรัสว่าความสุขคือความพอใจ และพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่มีอิทธิบาทจะมีอายุเกินกับคือมีอายุยืนเกินกว่าที่ได้มาและเมื่อทำเสร็จหรือทำยังไม่เสร็จ แต่มีเหตุจัดสรรให้ต้องกระทำอย่างอื่นควรทำใจพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไม่ยึดมั่นถือมั่นไปทำอย่างอื่นตามเหตุปัจจัยณเวลานั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทำให้ไม่ทุกข์ใจและพึงทำใจว่าการกระทำและผลที่ผ่านมานั้นก็ดีที่สุดแล้วที่เป็นไปได้จริงมีมุทิตายินดีที่เกิดดีขึ้น จากนั้นทำใจให้ผาสุขกับการปล่อยวางการกระทำนั้นๆรวมถึงผลของการกระทำนั้นๆให้เกิดดับอยู่บนโลกเป็นธรรมดาเป็นกลางๆไม่ดูดไม่ผลักไม่รักไม่เกลียดไม่สุขไม่ทุกข์ในใจเราแต่เรามีความผาสุขในใจกับความไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดูดไม่ผลักไม่รักไม่เกลียดหรืออุเบกขา ทำใจให้เป็นกลางปล่อยวางความติดยึดและเหตุแห่งทุกข์ทางปวงนั้นแหละคือสาระแท้ที่ควรทาเพราะสาระแท้คือความผาสุกที่ยั่งยืนในใจเราดังนั้นเมื่อมีปัญหาหรือกุศลอื่นแทรกเข้ามาในขณะที่เรากำลังแก้ปัญหาหรือบำเพ็ญกุศลอย่างหนึ่งอยู่ องประกอบเหตุปัจจัยจัดสรรให้เราแก้ปัญหาหรือบำเพ็ญกุศลที่แทรกเข้ามานั้นให้ถือว่าการแก้ปัญหาหรือบำเพ็ญกุศลที่แทรกเข้ามานั้นสำคัญที่สุดดีที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดควรทำที่สุดเป็นสาระแท้ที่สุดสิ่งอื่นๆล้วนไม่ใช่สาระแท้ทั้งสิ้นเพราะสิ่งต่างๆบนโลกและจักรวาล ล้วนไม่มีสิ่งใดเป็นสาระแท้เพราะสาระแท้คือความผาสุกในใจเราทุกวินาทีเราพึงกระทำการแก้ปัญหาหรือบำเพ็ญกุศลที่แทรกเข้ามานั้นด้วยความผาสุกเพราะต่อให้เรามีความกลัวความวิตกกังวลห่วงหาอาวรนกับปัญหาหรือกุศลเดิมหรือสิ่งอื่นๆ เราก็ไม่สามารถกระทําพร้อมกันทั้งหมดได้ในเวลาเดียวกันอยู่แล้วงโง่ทุกทําไมฉลาดฐาสุกดีกว่าความกลัวโรคยิ่งกลัวมากเท่าไหร่ยิ่งทําให้โรคกําเริบรุนแรงมากเท่านั้นเท่านั้นความกลัวตายยิ่งกลัวมากเท่าไหร่ ยิ่งทําให้ความตายกําเริบมากเท่านั้นเท่านั้นพึ่งทําจิตปล่อยวางความกลัวรู้ว่าโรคมันเป็นธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตราบชั่วการนานไม่ดับตอนเป็นก็ดับตอนตายเป็นธรรมดาโรคดับไปแล้วก็มาใหม่ได้ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่มาแล้วก็ดับไปได้ไม่ดับตอนเป็นก็ดับตอนตาย โรคเป็นของอยู่คู่โลกโรคเป็นเพื่อนทุกคนเป็นเพื่อนที่คอยมาบอกว่าร่างกายเราไม่สมดุลร่างกายมีพิษเราจะได้ปรับสมดุลล้างพิษจากร่างกายเสียโรคอยู่กับทุกคนเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิส ไม่มีใครสามารถทำความสมดุลทางวัตถุสสารพลังงานภายนอกจิตให้ยั่งยืนถาวรได้ความสมดุลที่ยั่งยืนมีได้ที่พลังงานทางจิตวิญญาณเท่านั้นดังนั้นในขณะที่เราสามารถจัดสรรวัตถุสสารพลังงานนอกจิตให้สมดุลได้โรคก็จะไม่แสดงอาการและเมื่อความสมดุลที่ได้จัดสรรได้แล้วนั้น ถูกเหตุปัจจัยกระทบจนความสมดุลแปรเปลี่ยนสู่ความไม่สมดุลโรคก็จะแสดงอาการดังนั้นทุกคนจึงมีโรคอยู่กับตัวเป็นธรรมดาโรคจะแสดงอาการเมื่อไม่สมดุลและจะไม่แสดงอาการเมื่อสมดุลโรคเป็นสัจว์ที่มีหน้าที่เกิดและตายพร้อมกับคนเป็นธรรมดา โรคเกิดจากวิบากเก่าที่ไม่ดีและความไม่สมดุลวิบากการรมเก่าที่ไม่ดีสามารถแก้หรือบรรเทาได้ด้วยการบำเพ็ญกุศลส่วนความไม่สมดุลสามารถแก้หรือบรรเทาได้ด้วยการดูแลรักษาปรับสมดุลเต็มที่ตามองค์ประกอบเหตุปัจจัยที่ทําได้พึงปล่อยวางความกลัวความเกลียดโรคทําใจให้เป็นกลาง และมีความหาสุขสงบสบายกับความเป็นกลางกางทำใจรับรู้ว่าแม้โรคหายเราก็ต้องตายต้องดับแม้โรคไม่หายเราก็ต้องตายต้องดับจะทุกกลัวตายกลัวดับให้โง่ทำไมเมื่อเราดูแลรักษาโรคอย่างเต็มที่แล้วถึงอย่างไรโรคมันก็ต้องหายอยู่ดีไม่หายตอนเป็นมันก็ต้องหายตอนตาย ความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวความตายเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ธรรมชาติให้มาเพื่อช่วยในการเปลี่ยนร่างกายที่สุดโทมหรือทุกทรมานมากเกินไปให้ไปเอาร่างใหม่ที่ดีกว่าเดิมจะได้ทำหน้าที่ทำคุศลได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ปรินิพานได้ก็ทำให้สามารถสูญจากโลกได้ การหมั่นพิจารณาทบทวนยอมรับความจริงเหล่านี้จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับจิตใจและร่างกายช่วยให้หายหรือบรรเทาอาการของโรคได้เร็วที่สุดแม้ไม่หายก็ช่วยให้ทุกทรมานน้อยความเร่งรีบเร่งรัดรีบร้อนให้เกิดผลสำเร็จเร็วๆ เ, เป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นเหตุให้ประสบความสำเร็จช้า พึงทำใจให้ผาสุขกับการภาคเพียนทำเหตุที่ดีอย่างเต็มที่ตามองค์ประกอบเหตุปัจจัยแต่อย่าเร่งผลเพราะการเร่งผลจะเกิดผลเสียร้ายแรงที่สุดต่อร่างกายและจิตใจพึงหมั่นพิจารณาว่าความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นทุกๆวินาทีที่เราได้ภาคเพียรอย่างเต็มที่ดังนั้นเราจึงควรมีความพอใจ ผาสุขในใจทุกวินาทีที่เราได้ภาคเพียรเต็มที่เพราะมันสําเร็จตามจริงทุกๆวินาทีอยู่แล้วอย่างโง่ขาดทุนรอผลสําเร็จปริมาณมากหรือผลสําเร็จตอนจบภารกิจทั้งหมดแล้วค่อยผาสุขพึงทําใจให้ความผาสุขกับความสําเร็จแม้น้อยตามทางไปเรื่อยๆอย่ารอผาสุขแค่ปลายทางอย่างเดียว และผลก็ไม่ได้เกิดจากการเร่งผลผลเกิดจากการกระทำเหตุเมื่อเรามีความผาสุกกับภาคเพียรทาเหตุที่ดีอย่างเต็มที่แล้วจงมีความผาสุกในการปล่อยวางผลโดยทำใจว่าหายก็ได้ไม่หายก็ได้หายตอนเป็นก็ได้หายตอนตายก็ได้หายเร็วก็ได้หายช้าก็ได้เป็นก็ได้ตายก็ได้ เพราะเราไม่สามารถกำหนดผลได้ว่าจะให้ผลนั้นเกิดมากเกิดน้อยเกิดเร็วเกิดช้าและในความเป็นจริงเมื่อเราได้ภาคเพียรเต็มที่แล้วผลที่เกิดทุกวินาทีก็มากที่สุดและเร็วที่สุดเป็นไปได้จริงที่สุดและไม่ว่าผลมันจะออกมาอย่างไรสุดท้ายมันก็ต้องดับไปอยู่ดี การทำใจในผลของกิจกรรมการงานอย่างอื่นๆก็เช่นเดียวกันดังนั้นจงทำใจอย่ากลัวตายอย่ากลัวโรคอย่าเร่งผลอย่ากังวลอย่าสอนคนที่ไม่ศรัทธา อย่าใจร้อนอยากขยายดีให้กว้างมากเกินจนลำบากเกินหรือทำไม่ไหวหรือทำอย่างไม่มีประสิทธิภาพให้ค่อยๆทำไปมันก็จะค่อยๆขยาย ค, ยค่อยๆโตขึ้นเองตามธรรมและอย่าอยากได้ดีหรืออยากให้เกิดสิ่งที่ดีเกินกว่าริษแรงที่มีจริงหรือที่ทำได้จริงการทำใจอย่างนี้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจไมตรีหมอเขียวใจเพชรกล้าจน